การมาวัดมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหมือนกับการไปที่บริษัทประกันเพื่อไปซื้อประกันภัยไปซื้อประกันชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาก็มีการรับประกัน กับรับประกันชีวิตสำหรับพุทธาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติ ก็จะได้รับประกันสองชนิดด้วยกันคือหนึ่งได้รับประกันภัยสองได้รับประกันชีวิตภัยที่พระพุทธศาสนารับประกันนี้คืออะไรก็คืออบายสี่แห่งด้วยกันที่ไม่น่าไปเกิดคือ หนึ่งเดรัจฉานสองเปรตสามอสุรกายสี่นรกนี่คือที่ไปสำหรับคนบางคนหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าไม่ได้มาซื้อประกันจากพระพุทธศาสนาคือถ้าไม่ได้ศึกษา จากพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะไปเกิดในอบายในแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีอยู่สี่แห่งด้วยกันแต่ถ้าได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติ ตามคำสอนก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายการที่เราจะไม่ไปเกิดในอบายพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงคือหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสอง ละเว้นจากการรักทรัพย์3ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี4ละเว้นจากการพูดปด 5. ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมานี่คือการกระทำที่จะทําให้ผู้กระทํา จะต้องไปเกิดในอบายแห่งใดแห่งหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลของการกระทําบาปเหล่านี้ถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะไปเกิดในนรกนี่คือเหตุที่จะพาให้ผู้ากระทำบาปต่างๆ จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบายเราก็สามารถห้ามไปเกิดได้ถ้าเราซื้อประกันของพระพุทธศาสนาถ้าเราจ่ายเบี้ยรประกันก็คือเรามารักษาศีลห้ากันและละเว้น จากอบายามุกต่างๆเพราะว่าอบายามุกนี้คือประตูทางเข้าสู่อบายภูมินั่นเองถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกไปเสพอบายามุกก็สแสดงว่าเรากําลังจะเข้าไปในอบายนั่นเองกําลังอยู่ที่หน้าประตูอยู่ใกล้กับทางเข้าสู่อบาย ทำไมเราจรึงต้องละเว้นจากการเสพอบายมุขเพราะถ้าเราเสพแล้วมันจะทำให้เราต้องไปทำบาปต่อไปนั่นเองเมื่อเราทําบาปแล้วเราก็จะต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแต่ใจของพวกเราคือผู้กระทําบาปไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายเป็นเครื่องมือของของใจของผู้กระทำบาปใจเป็นผู้กระทำเพราะใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดสั่งให้ร่างกายไปทำบาปร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเช่นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี้เป็นเครื่องมือของคนขับรถ รถยนต์นี้ต้องให้คนขับรถเป็นคนขับเป็นคนสั่งรถยนต์ถึงวิ่งไปไหนมาไหนได้เวลาที่รถยนต์ไปชนคนตายตำรวจไม่จับรถยนต์ไปลงโทษแต่จะจับคนขับรถไปลงโทษเพราะคนขับรถเป็นคนที่ทำให้รถยนต์วิ่งไปชนคนตายฉันใดใจก็เป็นเหมือนคนขับ ส่วนร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาที่ใจสั่งให้ร่างกายไปทำบาปาร่างกายไม่ได้เป็นผู้จะไปรับผลบาปเพราะร่างกายเดี๋ยวก็ต้องตายตายก็จะกลายเป็นดินน้ำลงไฟไปผู้ที่ไม่ตายผู้ที่กระทาบาปก็คือใจ ผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําบาปเป็นผู้ที่จะรับผลบาปเป็นผู้ที่จะไปเกิดในอบายแลนะการจะไปทําบาปนี้ก็มีอบายามุกเป็นต้นเหตุถ้าไม่ได้เสพอบายามุกโอกาสที่จะทําบาปนี้ มีน้อยมากแต่ถ้าเสพอบายามุขแล้วโอกาสที่จะทำบาบนี้มีมากทีเดียวอบายามุขมีอะไรบ้างก็หนึ่งก็คือสุราการดื่มสุรายาเมาสองการเที่ยวเตะเที่ยวกลางคืนสามการคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตร สการเล่นการพนันและห้าความเกลียดคร้านนี่คืออบายามุกที่เป็นเหตุที่จะทำให้ผู้ที่เสพอบายามุกจะไปทำบาปต่อไปเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาก็จะขาดสติจะไม่มีเบรกที่จะคอยหยุด ความคิดที่ไม่ดีเวลามีสตินี้เวลาที่เรามีความคิดไม่ดีเรายังสั่งให้มันหยุดได้แต่เวลาที่ดื่มโซราแล้วเวลามีความคิดที่ไม่ดีเราจะไม่สามารถหยุดความคิดนี้ให้มันไม่คิดได้พอไม่หยุดความคิดความคิดมันก็จะสั่งให้ร่างกาย ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไปสั่งให้ไปขโมยไปฆ่าสัตว์ไปไ ป, ประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดพูดคำหยาบคนดื่มสุรายาเมาจึงเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะว่าเป็นอันตรายไม่รู้ว่าจะทำร้ายผู้อื่นได้เมื่อไหร่ ถ้าเกิดมีอารมณ์ไม่ดีก็จะทำร้ายผู้อื่นได้ทันทีนี่คือหนึ่งของอบายที่ควรจะละเว้นกันคือละเว้นการดื่มสุรายาเมาเพราะจะทำให้การทำบาปนี้ง่ายทำได้บ่อยถ้าไม่ดื่มสุราแล้วมักจะไม่ค่อยได้ทำบาปกัน เราะจะมีสติคอยยับยัง้งความคิดที่ไม่ดีเวลาคิดจะไปรักทรัพย์ก็จะมีสติยับยั้งไวเวลาคิดจะไปประพฤติผิดโวอยอนีก็จะมีสติคอยยับยั้งเอาไวเวลาจะพูดปดก็จะมีสติคอยยับยั้งเอาไวเวลาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะมีสติก็จะทำให้ไม่ไปทำบาปได้ น, นี่คือข้อที่หนึ่งของอ บ, บายามุข ค, คือการดื่มสุรายามเมาข้อที่สองคือการเล่นการพนันการเล่นการพนันนี้ก็จะทำให้มีแต่เสียเงินเสียทองถึงแม้ว่าเล่นแล้วบางครั้งอาจจะได้ก็ตามแต่เวลาได้แล้วก็เกิดความโลภอยากจะได้อีก ก็จะเล่นต่ อ, อพอเล่นต่อแล้วก็ต้องเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็จะเล่นต่ออีกอแล้วทำไปทำมาก็จะต้องเสียการเล่นการพนันนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่สูญเสียพอเสียแล้วก็ต้องอขายทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่เพื่อมาเล่นต่อ พราคนที่เล่นการพนันแล้วจะติดเจะเลิกยากจะเลิกไม่ได้จะเลิกก็ต่อเมื่อหมดเนื้อหมดตัวออพอไม่มีเงินเล่นก็จะเอาทรัพย์สมบัติเข้าของไปขายเพื่อมาเล่นต่อพอทรัพย์สมบัติเข้าของหมดก็จะขายบ้านขายที่ดินะ เพื่อที่จะมีเงินมาเล่นต่ อ, อมีคำพูดว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านนี่ก็ยังไม่ร้ายกว่าการเล่นการพนันเพราะว่าขโมยขึ้นบ้านขโมยก็เอาไปเพียงแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเท่านั้นบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ถ้าไฟไหม้บ้านก็ยังดีกว่า การเล่นการพนันเพราะไฟไหม้ก็ไม่ได้แต่บ้านกับข้าวของเท่านั้นแต่ที่ดินก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันนี้จะสูญเสียหมดเลยเมื่อสูญเสียหมดแล้วไม่มีเงินทองแต่ยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่ยังอยากจะเล่นการพนันอยู่ก็อาจจะต้องไปข อ, อยืมเงินไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น เพื่อจะได้เอาเงินมาเล่นมาใช้ใจ่ายยืมมาแล้วก็จะไม่มีวันที่จะไปคืนเขาพอเล่นแล้วเดี๋ยวก็จะหมดพอหมดแล้วพอยืมเงินทองไม่ได้ขั้นต่อไปก็จะต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าถ้าไปลักทรัพย์ไม่ได้ก็อาจจะไปจี้เอไปต้นไปจี้ป้นล้านทอง แล้วถ้าเกิดเจ้าของร้านเขามีอาวุธต่อสู้ก็อาจจะต้องฆ่ากันนี่คือเหตุของการที่เราจะไปทำบาปเหตุที่จะทำให้เราไปอบายกันก็คือการเสพอบายมุข ค, คือการเล่นการพ น, นันดังนั้น ควรละมัดระวังเรื่องของการเล่นการพนันถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปเล่นดีกว่าเก็บเงินไว้เอาเงินที่ไปเล่นนี้เก็บไว้อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนถึงแม้จะไม่ได้กำไรก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าเอาเงินไปเล่นนี้เสี่ยงต่อการขาดทุนยากต่อการได้กำไร ได้กำไรแล้วเดี๋ยวก็อยากจะเล่นต่อในที่สุดก็จะต้องขาดทุนออายบมุขข้อที่สามที่เราควรจะเลิกก็คือการเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวเตรไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการไปดูมหรสพบรรเทิงต่างๆการกระทำเหล่านี้มันไม่มีรายได้ มีแต่รายจ่ายเอาเวลาที่ไปเที่ยวนี้ไปทำงานทาการทำมาหากินดีกว่าจะได้มีรายได้เพื่อที่เอามาจุนเจือใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นจะได้ไม่ต้องไปทำบาปผู้ที่ไม่มีเงินทองไม่มีรายได้ผู้ที่ใช้เงินทองไปกับการเที่ยวเตแต่ไม่ใช้ไม่ไม่ไปหาเงินหาทอง เดี๋ยวเงินทองก็ต้องหมดอันนี้หมายถึงผู้ที่เที่ยวใจบากไม่ทำงานทำการแต่สำหรับผู้ที่ทำงานทำการแล้วมีเวลาวันหยุดอยากจะแพป้พักผ่อนหย่อนใจบ้างไปเที่ยวบ้างอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอลยถ้ารู้จักประมาณในการเที่ยวคือรู้จักเวลารู้จักประมาณในการใช้เงินทอง ไม่ให้มันมากจนทําให้เดือดร้อนไม่พอใช้ถ้ามีเงินส่วนเกินเหลือจากเงินที่จําเป็นจะต้องใช้ต่อาการจุนเจือชีวิตร่างกายถ้ามีเงินเหลือมีวันหยุดอยากจะไปเที่ยวบ้างก็ไปได้แต่ถ้าจะให้ดีกว่าการไปเที่ยวได้รับประโยชน์มากกว่าการไปเที่ยวก็คือการไปทําบุญ เอาเงินไปทําบุญไปวัดดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าจะได้ความสุขที่ดีกว่าเพราะการทําบุญจะให้ความสุขที่อิ่มเอิบใจสุขใจพอใจจะทำไม่ให้หิวโหวยไม่อยากจะทําให้ไม่มีความอยากต่างๆเกิดขึ้นแต่ถ้าไปเที่ยวกันใช้เงินทองไปกับการไปเที่ยวอก็จะมีทําให้ เป็นความสุขแบบที่หิวโหวยความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอไปเที่ยวแล้วพอกลับมาจากการไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวอีกถ้าไม่หักข้ามจิตใจถ้าปล่อยให้ไปเที่ยวบ่อ ย, อยๆเดี๋ยวก็จะติดนิสัยแล้วจะเสียเงินเสียทองมากอาจจะทำให้เงินทองไม่พอใช้ได้อาจจะทำให้ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะหาเงินทองมา ใช้ต่อเพราการจะหาเงินทางบาปง่ายๆมากๆเร็วๆ เ, เนี่ยมักจะต้องหาโดยวิธีทําบาปด้วยการช่อโกงด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นนี่ก็คือบายมุกข้อที่สามที่เราควรที่จะละเว้นกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทําบาป ก, กัน อาไว้อบายมุกข้อที่สี่ก็คือการคบกับคนที่ชอบอบายอัปบายมุกนั่นเองถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื oui. ่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะเพราะฉะนั้นเราอย่าคบคนแบบนี้ การครบนี่ก็มีสองลักษณะก็คือคบเพราะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกันคบได้คือต้องทำงานร่วมกันก็คบกันได้แต่จะไม่คบแบบร่วมผลจมท้ายไปกับเขาถ้าเขาชวนเราไปเสพอบายามุขนีเราก็ต้องปฏิเสธเราต้องรู้จักแยกแยะการครบค้าสมาคมการว่าควรจะมี อบเขตในระดับใดครบได้ในฐานะที่เป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเวลาเจอกันก็ไม่ลังเกียดต่อกันแต่ถ้าเขาจะมาชวนเราให้ไปไปเสพอบายามุขกับเขาอันนี้เราก็ต้องปฏิเสธไปแล้วถ้าเขาไม่พอใจเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเรา เราก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่าเราจ ะ, ะปลอดภัยถ้าเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเขาก็จะได้ไม่มีไม่มาคอยดึงเราไปในในทางที่ไม่ดีแต่เราอาจจะเสียประโยชน์บ้างก็ได้ในทางธุรกิจหรือในทางค้า้าย ในเมื่อไม่ได้คบค้าสมาคมกับเขาก็อาจจะไม่ได้ทำธุรกิจทำค้าขายกับเขาก็ได้แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการสูญเสียเรื่องธุรกิจนี้มันเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียทางด้านจิตใจมันมันน้อยอเสียน้อยมากถ้าเราไปเสียทางด้านจิตใจถ้าเราต้องไปเสบอบายามุก แล้วต่อไปอาจจะต้องไปทําบาปเนี่ยมันจะทําให้เราเสียตัวเสียความเป็นมนุษย์ของเราไปการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทําบาปถ้าเราทําบาปเราจะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เราไปต้องไปใช้บาปก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปเลยตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย เมื่อไม่ไปเกิดในบายก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไปเกิดเป็นเทวดาไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้ได้ละเว้นการกระทำบาปแล้วไม่ทำบาปแล้วแลวได้ทำบุญด้วยเวลาเราตายไปเราก็จะไปเกิด เป็นเทวดาก่อนแล้วพอใช้บุญหมดแล้วเราถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อบาลมุขข้อที่ห้าก็คือความเกลียดคร้านความเกลียดคร้านนี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาปได้ถ้าเราเกลียดคร้านในการไปทํามาหากินแทนที่จะไปทํามาหากินเพราะขี้เกียจอบเอาเวลาไป เที่ยวกันไปเสพอบายมุกกันมันก็จะทำให้มีแต่รายจ่ายไม่มีไรายได้พอไม่มีไรายได้เงินทองก็จะต้องหมดไม่พอใช้พอไม่มีเงินทองก็จะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้หาเงินทองมาใช้ต่อเพราะฉะนั้นอย่ามีความเกียจคา้านให้มีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน เก็บเงินเก็บทองไว้รักษาเงินทองที่หามาได้อย่างยากเย็นนี้อย่าให้หมดไปด้วยการไปเสพเอาบายามุขเพราะมันมันจะหมดง่ายหมดเร็วเราจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะต้องไปทาบาปต่อไปนี่คือเบีย้ยประกันที่พระพุทธศาสนาให้เราจ่ายถ้าเราอยากจะซื้อประกันภัย คือจะซื้อการไม่ไปเกิดในอบายอบายนี้เป็นที่ไม่น่าอยู่เป็นที่มีแต่ภัยอันตรายเป็นเดรัจฉานก็ต้องอยู่ในปา่าอยู่แบบมีภัยรอบด้านเพราะเดรัจฉานเขาไม่มีศีล เ, เขาไม่รักษาศีลกันเวลาเขามีความอยากจะกินจะกล่จะกิน เขาก็จะกัดจะกินสัต์เล็กสัตว์น้อยกว่าเข า, าการไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่มันเป็นภัยการไปเกิดเป็นเปรตก็จะไปเกิดด้วยความหิวโหยอดอยากขาดแคลนถ้าไปเกิดเป็นอสุรกายก็จะไปเกิดด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆรอบด้าน ถ้าไปเกิดในนรกก็จะมีแต่ความอาฆาตปยาบารตโกรธเกลียดเคียดแค้นเผาจิตเผาใจสังเกต ด, ดูเวลาที่เรามีความโกรธมากๆนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นนะคือนรก น, นี่คืออบายที่เราสามารถที่จ ะ, ะซื้อประกันที่เราสามารถป้องกัน ไม่ให้ไปไปได้ด้วยการซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาก็คือจ่ายเบี้ยรประกันยาเสพติดอบายามุกและอยาทําบาปห้าข้อด้วยกันแล้วเราจะปลอดจากการไปเกิดในอบายส่วนประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้ท่านประกันอย่างไร ท่านกบประกันให้เราไม่ต้องตายกันเนี่ยารที่เราซื้อประกันชีวิตก็เพื่อที่จะได้ออป้องกันเวลาที่เราตายเรายังมี อ, อ, อะไรทาหน้าที่ทดแทนเราได้เออช่นเราตายคนที่อยู่คนที่อาศัยเราคนที่เราต้องเลี้ยงดูเวลาเราตายไปเออบริษัทประกันก็จะมีเงินมา ทำหน้าที่แทนเราจ่ายเงินทองให้กับผู้ที่เราต้องดูแลเลี้ยงดูแตป่ประกันชีวิตจริงๆนี่เขาประกันไม่ได้เขาประกันให้เราไม่ตายไม่ได้แต่พระพุทธศาสนานี้จะประกันให้เราไม่ตายได้เราจะไม่ต้องตายอีกต่อไปถ้าเราซื้อประกันชีวิตจากพระพุทธศาสนานแต่ แต่ชาตินี้เป็นชาติที่เราจะต้องตายเพราะว่ามันชาตินี้คุ้มครองไม่ได้ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็คุ้มครองไม่ได้แต่แต่ชีวิตต่อไปนี้จะคุ้มครองได้คือหลังจากที่เราตายไปพบนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะพระพุทธศาสนาจะ สอนให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเองเมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ชาตินี้เรามาเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนอันนี้คุ้มครองไม่ได้พระพุทธศาสนาคุ้มครองไม่ได้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายในภพนี้ชาตินี้คุ้มครองได้ก็คือ จะทําให้เราไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้ตอนนี้พวกเราทุกคนยังทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เพราะเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่ถ้าเรามาซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาประกันชีวิตของพระพุทธศาสนานี้จะคุ้มครองความทุกข ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้จะทําให้เราไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ห้ามความแก่ความเจ็บความตายของภพนี้ชาตินี้ไม่ได้แต่จะห้ามความแก่ความเจ็บความตายที่จะมีมาต่อไปนี้ไม่ให้มีอีกได้ถ้าเราซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นก็คือเรายัางจะต้องกลับมาเกิดอีกอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เกิดเพียงครั้งเดียวเกิดเป็นอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งเลยทีเดียวเกิดยังไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้ซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาเราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป <Yeah. S 1> อันนี้คือประกันชีวิตของพ <Yeah. S 1> ระพุทธศาสนาแล้วเบี้ยประกันที่เราจะต้องจ่ายให้แก่พระพุทธศาสนานี้มีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ก็คือเราต้องรักษาศีลศีลก็ต้องศีลที่สูงกว่าศีลห้าลองซือศีลแปด แล้วก็ต้องฝึกสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาจเจริญปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้รู้ว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่จะรัะงับการเกิดแก่เจ็บตายได้ระงับการลดต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้ พอเรามีปัญญามีสมาธิมีศีลเราก็จะสามารถหยุดต้นเหตุของการมาเกิดได้พอต้นเหตุของการมาเกิดถูกหยุดไปการเกิดก็จะไม่มีเหมือนต้นเหตุของการที่มีการตั้งครันก็เพราะว่ามีการร่วมหลับนอนกันฮถ้าไม่ร่วมหลับนอนกันนี้ก็จะไม่มีการมาตั้งครัน หรือสมัยใหม่เขาก็มีวิธีถึงแม้ว่าจะร่วมหลับนอนกันก็ยังสามารถห้ามไม่ให้มีการตั้งคันได้ด้วยการใช้เครื่องป้องกันไม่ให้มีการตั้งคันด้วยการทำหมันอย่างนี้ก็จะทำให้มีไม่มีการตั้งคันเมื่อไม่มีการตั้งคันก็ไม่มีการเกิดอย่นงใดถ้าเรา ต้นเหตุของการเกิดได้การเกิดก็จะไม่มีต้นเหตุของการเกิดก็คือตัณหาความอยากมีอยู่สามข้อด้วยกันความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปทพะความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือต้นเหตุที่จะพาให้เรามาเกิดกันถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ หยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลภัณได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้เราก็จะสามารถหยุดการเกิดได้แล้วเราก็จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้อันนี้อยู่ที่ตันหาความอยากอยู่ที่การตัดความ ความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปและสิ่งที่จะมาตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองที่เราต้องมาเจริญกันที่เราจะต้องจ่ายเป็นเบียประกันถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาตายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะต้องอหยุดความอยากทั้งสามนี้ เราต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลระดับของนักปฏิบัติธรรมของนักบวชก็คือต้องเจริญต้องถือศีลแปดกันดังนั้นก่อนที่เราจะมาอซื้อประกันชีวิตได้เราต้องซื้อประกันภัยก่อนถ้าเราซื้อประกันภัยแล้วนี่เราจะมีศีลห้าเมื่อเรามีศีลห้าแล้วทีนี้เราก็จะ ถือศีลแปดได้ง่ายถ้าเรายังถือศีลห้าไม่ได้จะให้ถือศีลแปดในนะี้ยิ่งย่อมเป็นไปไม่ได้ดังั้นก่อนที่เราจะถือศีลแปดกันเราก็ต้องซือศีลห้าให้ได้ก่อนถือศีลห้าให้เป็นปกติให้ได้ก่อนถือศีลห้าให้ได้ทุกวันพอเราถือศีลห้าได้ทุกวันแล้วเราก็มาหัดถือศีลแปดในวันวันหยุดทำงาน สมัยก่อนวันหยุดทํางานก็จะตรงกับวันพระแต่สมัยนี้มันไม่ตรงกันเสีแล้วสมัยนี้บางทีวันหยุดทํางานของเราก็ไม่ตรงกับวันพระเราก็เลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะอะไปวัดเพื่อไปรักษาสี่งต่าได้เพราะเราต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระของเราให้มาตรงกับวันที่เราหยุดทํางานะ เพื่อเราจะได้เอาวันที่เราหยุดทำงานนี้มามาอยู่วัดมารักษาศีลมานั่งมาฝึกสมาธิมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาชนิดต่างๆขึ้นมาปัญญาที่เราจะเอามาใช้ในการที่จะมาหยุดความอยากต่างๆดังนั้นสมัยนี้เราต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยเปลี่ยนวันพระ เพราะว่าวันพระเดี๋ยวนี้บางทีตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะมาวัดไม่ได้นะเราต้องเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ให้มันตรงกับวันหยุดทํางานของเราถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์เราก็ถือวันเสาร์เป็นวันพระไปถ้าเราหยุดทํางานวันอาทิตย์ก็ถือวันอาทิตย์เป็นวันพระไปถ้าหยุดทั้งเสาร์อาทิตย์ ถ้าเราเราถ้าเราอยากจะมีวันพระสองวันก็มีได้เพราะยิ่งมีวันพระมากเท่าไหร่จะยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้จ่ายเบีย้ยประกันให้ได้ให้ได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นบางทีเวลาเราซื้อประกันบางทีเราก็อยากจะจ่ายเบีย้ยประกันให้มันครบพอเรามีเงินเยอะเราก็จ่ายมันทีเดียวให้หมดเลยเราจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ะ ทัในใดถ้าเรามีวันพระทุกวันได้ยิ่งดีเป้าหมายของการจะจะชำระเบี้ยรประการชีวิตของพระพุทธศาสนาก็คือให้เรามีวันพระทุกวันมีวันพระเจ็ดวันเลยเพื่อเราจะได้รักษาศีลบาได้ทุกวันหรือน่าเราจะได้เจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ทุกวันแต่ในเบื้องต้นตอนที่เราเริ่ม ซื้อประกันใหม่ๆเราอาจจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายเบีย้ยประกันได้เต็มที่เราก็เอาแค่ผ่อนก่อนผ่อนเบีย้ยประกันก่อนเอาจ่ายแค่อธิตย์ละวันก่อนเอาวันพระ อ, อธิตย์หนึ่งก็เอาวันหยุดทำ ง, งานของเราหนึ่งวันมาเป็นวันพระแล้วเราก็มาอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็ได้ถ้าบ้านเป็นที่สงบที่ไม่มีใครมา ขัดขวางการรักษาศีลการนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมของเราเราก็ใช้ที่บ้านก็ได้แต่ถ้าที่บ้านมันมีคนนั้นคนนี้มีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้มาลบกวนมาเป็นอุปสตรรคต่อการจ่ายเบีย้ยประกันของเราเราก็ต้องไปอยู่ที่วัดจะดีกว่าไปอยู่ที่วัดที่ มีการถือศีลมีการนั่งสมาธิมีการฟังเทศฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันถ้าเราอยากจะมีประกันชีวิตคือประกันการตายถ้าเราอยากไม่อยากจะตายแบบที่เราตายกันอยู่ในขณะนี้ เราต้องมาจ่ายเบีย้ยประกันเราต้องมีวันพระเป็นวันที่เราจะได้จ่ายเบีย้ยประกันคือเราจะได้มารักษาศีลแปดกันมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย ถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติกันทีละเล็กทีละน้อยวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้มันยังไม่พอเพียงอันนี้เป็นเพียงการฝึกหัดแต่ถ้าจะปฏิบัติกันจริงๆแล้วนี่จําเป็นจะต้องปฏิบัติตลอดเวลาเพราะเหตุใดเพราะต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เขาทํางานตลอดเวลา ตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานี่ความอยากมันทำเริ่มทำงานทันทีอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิน่นนี้มันเริ่มทำงานทันทีอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันทำงานตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความอยากต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลาเราต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น ที่เราจะเอามาใช้ได้ตลอดเวลาเราถึงจะสามารถที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มันทํางานตลอดเวลานี้ให้มันหมดไปจากจิตจากใจของเราได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวันที่เราจะใช้กับการปฏิบัติธรรมเราจึงต้องมีเวลาเริ่มต้น เป้าหมายก็คือเราจะต้องปฏิบัติกันทุกวันเราจะต้องเป็นพระกันทุกวันจะต้องเป็นวันพระสําหรับเราแตา่ตอนเริ่มต้นนี้เรามาหัดเป็นพระกันอาทิตย์ละวันก่อนเพราะว่าเรายังมีภาระผูกพันที่เรายังไม่สามารถตัดได้คือเรายังต้องมีงานการทํามีภาระที่เราจะต้องเลี้ยงดูผู้นั้นผู้นี้อยู่เราก็จะไม่สามารถที่จะ ไปออกบวชเป็นพระเป็นชีได้ทันทีเราก็ต้องบวชชั่วเทาวก่อนอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือสองวันแล้วแต่วันที่เรามีวันหยุดอย่าไปเสียดายกับเวลาที่เราเอาไปใช้กับการหาความสุขทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั่นเป็นเป็นการสะสมภพชาติให้มีต่อไป ถ้าเราไปทําตามความอยากเช่นวันหยุดส่วนใหญ่เราก็จะไปทาตามความอยากกันวันหยุดเราก็อยากจะไปเที่ยวกันอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของที่เราอยากจะซื้อกันอยากจะไปดูอยากจะฟังอะไรกันมันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแต่มันเป็นพักผ่อนหย่อนใจแบบเป็นพิษเป็นภัยเพราะมันจะก่อภพก่อชาติให้มีมากขึ้นไปเรื่อย เราไปทําตามความอยากสามประการนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพะความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราควรที่จะเอาวันหยุดทํางานนี้มาทําลายมันจะดีกว่าทําลายความอยากทั้งสามนี้ด้วยการไป อ, อยู่ที่สงบจะเป็นวัดก็ได้เป็นบ้านก็ได้ที่เราสามารถที่จะรักษาศีลง สามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิสามารถเจริญปัญญาโดยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือธรรมะเดินโดยการพิจารณาธรรมตามกําลังความสามารถของเราถ้าเรายังไม่มีปัญญาในตัวเราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนพอเราได้ความรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เอาความรู้นี้มาเจริญต่อ เพราะถ้าเราไม่จเจริญต่อเดี๋ยวมันจะจางหายไปได้ยินได้ฟังอะไรมาถ้าเราไม่เอามาทำการบ้านอยู่เรื่อยมานึกมาคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันก็จะลืมถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นไปนึกไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะมากบเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังที่มีคุณค่ามีประโยชน์เช่นเรื่องที่เราได้ยินกันในวันนี้ ว่านี่ยการมาเกิดของเรานี้มันเกิดจากตัณหาความอยากสามข้อถ้าเราไม่เอามาคิดต่อเดี๋ยวเราก็จะลืมแล้วพอเกิดตัณหาแทนที่เราจะหยุดมันเรากลับไปทําตามมันทําตามที่มันสั่งมันอยากจะให้เราไปหาอะไรมาดื่มแล้วเราก็ไปหามาให้มันดื่มมันอยากจะดูอะไรเราก็ไปหามาให้มันดูมันอยากจะฟังอะไรเราก็จะไปหาให้มันมาฟัง แทนที่เราจะไปหยุดมันเรากลับไปรับใช้มันไปส่งเสริมมันให้มีกำลังที่จะฉุดรากให้เรากลับมาเกิดมากขึ้นเระฉะนั้นเราต้องมีเวลาว่างมีเวลาที่ม า, มานั่งมาคิดมาคอยเตือนใจมาทำการบ้านอยู่เรื่อยๆว่าเราต่อไปนี้เราต้องพยายามฝืนความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายฝืนความอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ ฝืนความอยากไม่ได้นั่นความอยากไม่ได้นี่พยายามทาใจให้อยู่แบบไม่มีความอยากการที่จะทำใจให้อยู่ไม่มีความอยากได้เราก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมใจให้มันนิ่งให้มันสงบเท่านั้นมันถึงจะเฉยได้ถึงจะไม่มีความอยากได้การที่เราจะทำใจให้นิ่งเราก็ต้องมีสติการที่เราจะเจริญสติได้เราก็ต้องมีเวลา การที่เราจะมีเวลามาเจริญสติเราก็ต้องรักษาศินแปกันเราก็ต้องยับยัง้งการกระทำกิจกรรมที่เป็นโทษกับเราที่เป็นโทษต่อการเกิดแก่เจ็บตายที่จะเป็นเหตุ ท, ที่ทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายสินแปก็จะเป็นเหมือนกับกำแพงที่จะกั้นไม่ให้เราไปกระทำเช่นสีนข้อสามถ้าเราถือสินแปก็จะต้องเปลี่ยนจาก การเมสุมิจฉาจารามาเป็นอ布拉รรมจาริยาเวรมณีอร拉มจาริยาก็แปลว่าไม่ร่วมหลับนอนกันถ้าเป็นการเมสุมิจฉาจาราก็ร่วมหลับนอนกันได้ระหว่างสามีภรรยาแต่ถ้าแต่ถ้ามาถือศีลแปก็ต้องเปลี่ยนจากการร่วมหลับนอนกันระหว่างสามีภรรยามาให้แยกกันนอนคนละห้องกันไม่ร่วมหลับนอนกัน เพื่อเราจะได้ไม่เอาเวลามีค่าไปร่วมหลับนอนกันนี้มาเราจะได้เอามาใช้ในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันอันนี้ก็ข้อหนึ่งอีกข้อที่หศข้อหก็คือเราจะต้องละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าการรับประทานจริงๆนี้รับประทานเพียงครั้งหรือสองครั้งก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานอาหารเย็นมันก็จะเป็นอุปสรรคมาคอยขัดจังหวะในการปฏิบัติในการเจริญสติมันจะทำให้ใจเรายัางต้องมาคิดมากังวลอยู่กับเรื่องการกินอยู่ถึงจนถึงเย็นถึงคำ่ำแต่ถ้าเราไม่กินอาหารเย็นอาหารคำ่ำหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่อง ก, รองการกินการรับประทานเราก็จะได้ มีเวลามาปฏิบัติมาเจริญสติได้สิ่งข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวกันนั่นเองไม่ไปให้ไปเสียเวลากับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้นกายเช่นการไปเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงงานมหรสพงานบันเทิงต่างๆการสเสริมสวยความงามต่างๆ เพราะเวลาไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากก็อาจจะต้องเสียเวลาไปซื้อเสื้อผ้ากันเวลาจะมีงานสัก ง, งานหนึ่งนี้ต้องไปซื้อชุดใหม่มาใส่กันใส่ชุดเก่าแล้วมันดูไม่ดูไม่แปลกตาเดี๋ยวคนเขาจะทักเอาต้องไปหาชุดแปลกๆใหม่ๆ ใ, ให้คนเขาเห็นแล้วจะได้ตื่นตาตื่นใจกัน ก็จะหมดเวลาไปกับการเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวกันต้องแบกซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าต้องไปเสริมความงามกันต้องไปทำหน้าทำตาทำผมทำฟันทำอะไรตา่างๆเวลาก็จะหมดไปกับเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะดึงเวลาเหล่านี้กลับมาได้เราจะได้ไม เราจะได้มีเวลาเอาเวลาที่เราใช้กับเรื่องที่ไร้สาระเหล่านี้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการประกันชีวิตของเราเราจะได้เอามาใช้กับการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิกันและสิ่งข้อที่แปดก็จะทําให้เรามีเวลาเพราะเราจะนอนไ ม, ไม่ต้องนอนมากเกินไปการนอนพักผ่อนจริงๆนั่งกายต้องการเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้ว จะถ้านอนบนฟูกหนานๆะบนเตียงใหญ่ๆที่มันสุกมันสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนนอนสี่ห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะเสียเวลาอันมีค่านี้ไปเอาเวลามีค่านี้ที่เอาไปนอนนี้เอามาจเจริญสติสมาธิดีกว่า เพราะการเจริญสตินี้เราจาเป็นจะต้องมีใช้เวลาให้มากที่สุดเอามาเจริญสติให้ได้มากให้ได้ยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดียิ่งถ้าเราพยายามเจริญสติต่อไปเราจะมีสติมากถ้าเรามีสติมากเราก็จะมีกำลังที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบทำให้ใจมีอุเบกขามีความสุขทางใจได้ ถ้าใจมีความสุขมีความสงบมีโอเบกขาแล้วใจจะไม่รู้สึกอยากกับอะไรจะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำความอยากตอนนั้นก็ถือว่าหยุดการเกิดได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธินี่ก็จะหยุดการเกิดได้แต่พอออกจากสมาธิมานี่การความอยากมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมา ความอยากมันไม่ได้ตายด้วยกำลังของสมาธิความอยากจะตายก็ต้องตายด้วยกำลังของปัญญาปัญญาเป็นผู้ที่จะบอกให้เราเข้าใจว่าทำไมเราจึงไม่ควรที่จะทําทตามความอยากเหมือนกับหมอจะมาบอกเราว่าวเวลาที่เราไม่สบายนี้มันเกิดจากอะไรถ้าหมอบอกว่าเกิดจากเชื้อโรคชนิดนี้หรือเกิดจากกินอาหารชนิดนี้ ถ้าเราเลิกกินอาหารชนิดนี้โรคชนิดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหมอไม่มาบอกเราเราก็จะไม่รู้ถ้าหมอให้ยาเรามากินพอเราหายจากโรคเราก็อาจจะกลับไปกินอาหารชนิดนั้นอีกก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอาหารชนิดนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาดังนั้นนอกจากการให้ยาแล้วหมอยังต้องให้ปัญญากับเราด้วยต้องสอนเราว่า โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการรับประทานอาหารชนิดนี้ต่อไปนี้อย่ารับประทานมันอีกคนที่เป็นโรคเ ก, กาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเกิดจากการกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าไม่อยากจะเป็นโรคนี้อย่าไปกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แต่ถ้าไม่บอกเพียงแต่ให้ยาไปกินพอกินหายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกฉันใด เวลาเรานั่งสมาธินี่ก็เป็นเหมือนเอายามาหยุดความอยากแต่ความอยากมันไม่ตายมันไม่หายจากการที่เรากินยายามันเพียงแต่จะกดความอยากไม่ให้ทำงานมันจึงทำให้ความทุกข์หายไปแต่พอเราออกจากสมาธิพอเราไม่กินยาเดี๋ยวความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทำให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำตามความอยาก วิธีที่จะทำให้ความอยากมันหมดไปก็คือเราจะต้องไม่ทำตามความอยากและการจะไม่ทำตามความอยากเราก็ต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเราไม่ต้องทำตามความอยากเหตุผลก็คือการทำตามความอยากมันจะพาให้เรามาเกิดใหม่นั่นเองจะพาให้เราไปทุกข์ในขณะที่เรามีความอยากมันก็ทุกข์แล้วขณะที่พอเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจที่เคยสงบก็จะเริ่มปั่น ป, นปวนขึ้นมาแล้ว เริ่มราสับเราสายเริ่มกวนกวยเริ่มดหดเหยียดเริ่มลำคาญใจขึ้นมาแล้วก็ถ้าไปทำตามความอยากก็อาจจะได้ความสุขเดียวๆความสุขที่ได้จากการทำความอยากเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพะสิ่งที่ทำให้เราสุขมันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปความสุขนั่นก็จะหายไปแล้วเราก็จะต้องหาใหม่ แล้วถ้าเราหาไม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือปัญญาเราจะต้องเข้าใจเห็นโทษของความอยากเท่านั้นเราถึงจะสามารถฝืนเลิกความอยากได้ถ้าเราไม่เห็นโทษเราก็ยังคิดว่ามันดีอยู่นี่ยเวลาอยากเที่ยวได้เที่ยวก็มีความสุขเวลาอยากเวลาอยากจะได้อะไรพอได้มาก็มีความสุขแล้วทําไมเราจะไปเลิอกอยากทําไมแต่เราไม่คิดว่ามันเราไม่รู้ว่า ความอยากมันไม่หมดนะซิพออยากมันได้อะไรแล้วมันหมดก็ดีถ้าได้มาแล้วมันทําให้เราอิ่มเราพอก็ดีแต่มันไม่เคยทําให้เราอิ่มเราพอมันจะมีแต่ทําให้เราอยากขึ้นไปเรื่อยๆอยากได้ไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่แหละความอยากที่ไม่มีวันหมดนี่แหละที่เป็นตัวที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดรางให้ใจของเรามาเกิดใหม่มาหาร่างกายมามีร่างกายอันใหม่ต่อ เพื่อเราจะได้ทำตามความอยากต่ออันนี้คือปัญญาคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากกันเพราะความอยากมันจะเป็นตัวชุดรากจิตใจให้เราไปหาความทุกข์กันในรูปแบบของความสุขปลอมมันจะบอกเราว่าเป็นความสุขได้ดูได้ฟังอะไรแล้วก็สุขได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็สุขแต่มันสุขแป๊บเดียวแล้วเดียวพอมันหมดไป มันก็ทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความหิวอยากได้ใหม่แล้วถ้าเราไม่ได้เราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันหมดไปก็ทุกข์อีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะต้องหมดจะต้องมีการพัดพากจากกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดมันเป็นอนัตตา มันไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราถ้าเราอยากให้มันอยู่กับเรามันไม่อยู่เราก็ตัดทุกมันหมดไปเราก็ต้องทุกไปกับการไปหาใหม่หามาได้ใหม่ก็ดีใจได้สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกอีกอันนี่คือขั้นของปัญญาหลังจากที่เราทำจิตให้สงบได้แล้วทำจิตให้มีความสุขได้แล้วอยากความสงบเราก็เวลาออกจากสมาธิมา เวลาเกิดความอยากต่างๆเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจเพื่อมาหักข้ามไม่ให้ใจไปทำตามความอยากถ้าใจรู้เหตุรู้ผลแล้วก็รู้โทษของการทำตามความอยากแล้วก็มีสมาธิคือความสงบเคยเข้าสมาธิได้แล้วใจก็จะมีกำลังฝืนความอยากได้ใจก็จะทำให้ใจไม่ทุกได้เวลาเกิดความอยาก พอใจจะสามารถทำให้ใจนิ่งได้ถ้ามีสมาธิถ้าเคยฝึกสมาธิแล้วพอใจไม่นิ่งก็สามารถทำให้มันนิ่งได้ถ้ามันไม่นิ่งเพราะความอยากก็ทำให้มันนิ่งได้ด้วยสติแล้วก็ไม่ไปทำตามความอยากด้วยปัญญาปัญญาจะสอนว่าอย่าทำตามความอยากส่วนใจถ้ามันอยากมันสั่นด้วยความอยากก็หยุดมันด้วย ส, วยสติ อยางนั้นเราต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสติมีทั้งปัญญาเราถึงจะสามารถที่จะฝืนความอยากหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะหยุดผลของการความอยากได้ก็คือหยุดการเกิดได้เมื่อเราหยุดการเกิดได้เราก็จะหยุดการตายได้การแก่การเจ็บการตายได้นี่คือวิธี ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาประกันความตายคือเราจะไม่ต้องตายต่อไปถ้าเราไม่มาเกิดกันพระพุทธศาสนาจึงให้เราไปหยุดการเกิดกันการเกิดหยุดต้นเหตุที่ทาให้เรามาเกิดกันต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหยุด ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเรามีศีลแปดเราก็จะมีเวลามาฝึกสมาธิมาเจริญปัญญาเมื่อเราได้สมาธิได้ปัญญาเวลาเกิดความอยากเราก็ฝืนมันได้หยุดมันได้ไม่ทําตามความอยากได้ถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหายไปสังเกตดูคนที่เคย เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาอยากจะดื่มสุลาเขาก็ฝืนไม่ดื่มมันพอฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความอยากดื่มสุลามันก็หมดกำลังมันก็จะไม่โผล่ก้นมาอีกไม่ว่าจะอยากอะไรถ้าเราฝืนมันได้ต่อไปความอยากนั้นมันจะหมดไปคนที่เคยเที่ยวพอฝืนไปเรื่อยๆต่อไปก็ไม่เที่ยว เวลาไปเที่ยวก็ไปวัดแทนเวลาจะไปเที่ยวก็ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแทนทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปการอยากเที่ยวก็หมดไปเวลาอยากจะช้อปปิ้งอยากจะซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นก็ไปทาบุญแทนอ่อไปทำบุญเรื่อยๆทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็ไปทำทุกครั้งที่อยากจะไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ไปทำบุญ ต่อไปความอยากไปเที่ยวความอยากไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิ้งมันก็จะหายไป น, นี่คือวิธีการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆได้เราต้องมีการการกระทำที่มาทดแนทนเท่นี่มีความอยากเที่ยวเราก็ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมอยากไปช้อปปิ้งก็ไปทำบุญอยากไปทำอะไรตามความอยากก็ ทำสมาธิดีกว่าทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ใจนี้ไปเกิดใหม่ต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ต้องมาตายกันอีกต่อไปนี่คือประการการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนา ประกันด้วยการหยุดการเกิดเ mm hmm. ท่านั้นเพราะถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีการตายถ้าตราบใดยังมีการตายอยู่ไม่มีการไม่มีประกันประกันชีวิตชนิดไหนที่จะมาห้ามความตายได้แม้แต่ประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถมาห้ามความตายของพวกเราในชาตินี้ได้แต่ห้ามได้ก็คือความทุกข์เราจะไม่ทุกข์กับความตาย เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความอยากที่จะต้องใช้ร่างกายทำอะไรเพื่อเราเอีกแล้วเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายมันจะอยู่จะตายก็เท่ากันมันจะไม่ทาให้เราทุกข์กับมัน אותו. แต่ถ้าเรายัางต้องอาศัยร่างกายเพื่อเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยู่พอเรารู้ว่าเราจะต้องเสียร่างกายนี้เราจะทุกข์มากเพราะเราจะอยากเราจะไม่อยากให้มันเสียไม่อยากให้มันตายนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ร่างกายแล้วเราก็จะไม่มีความอยากมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายได้อย่างสบายอันนี้คือเรื่องของการมาวัดมาหาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อมาซื้อประกันภัยและซื้อประกันชีวิตเบื้องต้นต้องซื้อประกันภัยก่อนต้องจ่ายเบีย้ยประกันภัยให้ได้ก่อนก็คือต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนละเว้นอบายามุขต่างๆให้ได้ก่อ น, อนเมื่อทาได้แล้ว ก็จะสามารถซื้อประกันชีวิตต่อได้เพราะการซื้อประการชีวิตนี้จะต้องเพิ่มจากการรักษาสินห้าไปสู่การรักษาสินแปและจะต้องไปปฏิบัตสิสิปฏิบัติสมาธิและปัญญาต้องใช้เวลามากถึงจะได้สมาธิและปัญญาเกิดจะต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหนอบเท่านั้นถึงจะได้สถึงจะได้สมาธิที่มีกาลัง ที่จะหยุดความอยากได้และจะมีปัญญาที่จะบอกที่จะสอนใจให้เข้าใจว่าทำไมไม่ควรทำตามความอยากกันถ้าเราทำตามที่ขั้นตอนนี้รับรองว่าทำได้ไม่ยากทุกสิ่งทุกอยาก่างถ้าทำเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่ยากถ้าตาแบบขั้นข้ามขั้นตอนมันจะยากเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนตามขั้นไปไม่ยากเรีย น, นอนุบาลแล้วก็เรียนขั้นประถมเรียนมัธยม เรียนขั้นอุดมศึกษาปริญญาตีโทเอกถ้าเรียนเป็นขั้นขั้นมันไม่ยากถ้าจะเรียนแบบข้ามขั้นนี้มันจะยากถ้ายังไม่ได้เข้าอนุบาลเข้าปถมจะไปเรียนมัธยมเลยนี่มันจะยากมันจะเรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นไปก้าวไปทีละก้าวก้าวขึ้นไปทีละขั้น ก้าทีละขั้นมันง่ายกว่าเก้าทีละสามสี่ขั้นนี่คือหลักของการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแะรับรองได้ว่าทุกคนปฏิบัติได้ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อมีความปรารถนาที่อยากจะได้ทั้งประการภัยและทั้งประการชีวิตเราก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราก็จะปฏิบัติกันได้ทุกคน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาทถาวาริวะหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกา ป, ะปะติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะอะราโสยะามณิโชติอะระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัศตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจางวุฒาปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาก็ได้แล้วจะได้มีคนอ่านคําถามให้ถ้าจะถามเองก็ต้องถามในช่วงนี้อย่าถามช่วงหลังใหม่ช่วงที่เลิกประชุมแล้วเพราะหมดกำลังตอนนี้มีเวลาอยากจะถามอะไรถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามรอเจสิบคนครับ y o u t u ห e สิบเอ็ดคนครับ เรดโอส1มสิบเอ็ดคนผู้รับฟังบนเขาร้อยสิบเก้าคนทั้งหมดห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนครับพระอาจารย์วันนี้ย t u b e มีปัญหาเลยใช่ครับ YouTube มีปัญหาครับมะเล้อแก้หกสิบอไรมันขาดเลยหรือว่ามันล้มหรือไงสัญญาณไม่ดีครับพระอาจารย์สัญญาณไม่ดีสัญญาณเสียงไม่ดีครับมีใครอยากจะถามปัญหาไหมในที่อยู่แถวนี้ถ้ามียกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ นี่นะอ่ะเดี๋ยวส่งเดี๋ยวพูดผ่านทางไมโครโฟนนะพูดใกล้ๆหน่อยจะได้ยินเสียงคำถามขอโอกาสอาจารย์ดังๆไหมเออผมมีปัญหาเรื่องความสงบครับความสงบใช้ลมหรือใช้พูดโทอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยลงอ๋อสติมันน้อยไงต้องฝึกสติ ก, ก่อนมานั่ง ถ้าไม่มีสติตอนนั่งมันก็จะคิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สมบงบเน้ต้องหัดหยุดคิดก่อนที่เราจะมานั่งต้องหัดฝึกสติทั้งวันเลยถึงบอกเวลาปฏิบัติสมาธิมันต้องมีเวลาปฏิบัติมันถึงจะได้ผลถ้าเราเอาจะดึกถึงเวลาจะนั่งก็มานั่งเลยก่อนมานั่งนี้ไม่เคยเหยียบเบรกเลยพอจะมาเหยียบเบรกทีเดียวให้รถมันหยุดมันไม่หยุดก่อนจะหยุด รถ น, นี้เราต้องเหยียบเบรกตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปหยุดตรงที่เราต้องการจะหยุดเช่นเราจะมาถึงสี่แยกนี่เราต้องเริ่มจะลอรถหยุดรถเหยียบเบรกรถก่อนไม่ใช่มาหยุดตอนที่ถึงสี่แยกมันจะเลยเลยสี่แยกไปถ้าเราจะนั่งสมาธิเราต้องหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งไม่ใช่มาหยุดตอนที่เรานั่งพอเรามาพุโทโธพุโทโธตอนที่เรานั่งมัน มันก็คิดไปเรื่อยๆเพราะมันพุโทโธเราไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันต้องพยายามฝึกพุโทโธไปทั้งวันตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธเลยถ้าไม่ต้องคิดอะไรอย่าให้มันคิดให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําก็พุโทโธไปเอถ้าทําอย่างเงี้ยเวลานั่งมันจะสงบได้พูดใกล้ๆไหนมันไม่ได้ยินเสียงนกะารตารมอารมณ์เนี่ย การตามอารมณ์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะพอตามได้อยู่ครับได้แ ต, ตแต่หยุมไม่ไมด้ไอ้ที่ตามไม่ได้การให้ตามต้องการให้หยุดมันตามมันไปทำไมต้องหยุดมันไหีเพราะอารมณ์มันไม่ดีใั้มั้นอ่ะอารมณ์มันพาให้เราไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆเราต้องหยุดอารมณ์ไม่ใช่ไปตามอารมณ์งั้นก่อนที่จะดูอารมณ์ได้ต้องมีสติหยุดมันก่อน ถ้าไม่มีสติหยุดมันดูมันก็เท่านั้นอยากกินเหล้าเดี๋ยวมันก็กินอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามีสติดู้ว่าอ่ากินเหล้าไม่ดีก็หยุดมันอย่าให้มันคิดถึงการกินเหล้าอ่างนต่อไปมันก็อยะมันก็ไม่กินที่มันกินเพราะมันมีอารมณ์มันคิดถึงเรื่องกินเหล้าอยู่เรื่อยแสดงว่ามันมันจมอยู่ในอารมณ์ใช่ไหมครับก็มันอารมณ์มันเป็นเป็นเหมือนกับรถที่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุด เพราะรถมันไม่มีเบรคนเลยหยุดไม่ได้ถ้าเราต้องการจะหยุดอารมณ์เราก็ต้องมีสติเท่านั้นนะ่ะถึง ต, ต้องฝึกสติตลอดเวลาหมดแล้วครับหมดแล้วน ะ, ะคนเข้าใจผิดคนคชอบคิดว่าสติคือการรู้ถ้ารู้แล้วสแสดงว่ามีสติไม่ใช่ตอนนี้เราก็รู้แต่รู้แล้วมันหยุดไปไม่ได้ถ้ามีสติแล้วมันรู้แล้วมันต้องหยุดได้ เรียกว่ามีสติถ้ารู้เราหยุดไม่ได้ก็แสดงเหมือนคนเมากูรู้กูไม่เมาอย่างเงี้ยบอกกูไม่เมากูรู้กูไม่เมาแต่แต่จะให้ทําแบบคนไม่เมาทําทําไม่ได้เพราะไม่มีสติหยุดใช่ไหอมีสติรู้แต่ไม่มีสติหยุดพอแล้วพอไม่มีไหม่ต้องพูดผ่านใหม่เดี๋ยวฟังไม่ได้ยินนะทางนี้ก่อนครับฮัลโหล ขอโอาสครับอาจารย์ถาม อ, อ, อยากถามนิดนึงครับคือการเดินจนกลมเนี่ยเราดูขาหรือว่าดูลมครับเออถ้าเดินต้องดูขามันง่ายกว่าลมนะอ๋อเหรอครับลมมันดูยากมันจะสับสนกันนะระหว่างลมกับขาไม่มหรอกก็เวลาเดินดูขาเวลานั่งค่อยดูลมเพราะเวลานั่งมันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนอกจากลมก็ต้องดูลมแทน เ, เวลาขับรถนะครับ ดูรถเสร็อย่าไปดูลมอย่าไ ป, ไปด <c oughs> เดี๋ยวก็ชนกันนั่นเวลาทําอะไรให้ดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่คือประมาณว่าทําอะไรก็ให้ดูทำปัจจาาุบัอแปลงฟันก็อยู่การแปลงฟันสายกวาซ้ายขวา อ, อ, อย่าไปอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองอ๋อก็อ ค, คือประมาณว่าเราทําอะไรก็ให้อยู่ตรงนั้นเลยออยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ ก็สงสัยมานานแล้วครับเจริญธรรมแล้วก็อย่าให้มันคิดดูเพื่อแม่ให้มันคิดให้มันหยุดคิดเออให้รู้เฉยเฉยรู้ว่ากําลังทําอะไรกําลังขับรถก็รู้ว่ากําลังขับรถนี้ครับครับผมขอปักครับอาจารย์โอเคคาถามจากผู้รับฟังบนเขานะคะกรณีที่ต้องทํางานบนเป้าหมายของบริษัท และกลุ่มทีมงานซึ่งเป้าหมายต่างๆล้วนทําให้เราต้องขับเคลื่อนด้วยความอยากวงเล็บพอต้องขายของให้ได้มากๆคาถามนะคะเราจะปฏิบัติตัวเพื่อให้ลดความอยากลดความเครียดได้อย่างไรเจ้าคะก็เปลี่ยนงานใหม่เลยเปลี่ยนงานที่ไม่ตังต้งเป้าหมายงานแบบตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี ขายประกันนี้ขายอะไรของเราไปเราก็ตั้งเป้าหมายของเราได้ถ้าเราไม่เป็นเป็นลูกจ้างถ้าไปเป็นลูกจ้างเจ้านายเขาก็ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะกดดันเราเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราทํางานให้เขาแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเองเป็นเจ้านายเองเราก็ตั้งเป้าของเราตามอัธยาศัยได้เราก็จะตั้งแบบตามมีตามเกิดได้เช่นขายประกันขายอะไร ขายตรงนี้ขายเครื่องสำอางขายอะไรวันไหนเราอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ขายก็ได้วันไหนอยากจะไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ไปได้ทำอาชีพอิสระถ้าเราอยากจะไปทางธรรมะนี่วิธีที่จะทําให้เราไปทางธรรมะได้ก็ให้เปลี่ยนอาชีพอย่าไปทําอาชีพที่เขามีการกําหนดตายตัวว่าจะต้องทํามากน้อยกี่ชั่วโมงจะต้องทํา ได้เท่านั้นเท่านี้มันก็จะกดดันเราเราก็วิธีที่จะมีอาชีพเิรสรรก็คือเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงอย่าใช้เงินมากตัดเงินที่ไม่จาเป็นเงินที่ใช้กับความไม่จำเป็นออกไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นคือปัจจัยสี่แล้วเงินเที่ยวก็ตัดไปเงินบุหรี่ก็ตัดไปเงินสุราก็ตัดไปเงินอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ตัดมันไป แล้วค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงทันทั่วภาพเมื่อือค่าใช้จ่ายมันน้อยอก็ไม่ต้องไปหาอรายรับเข้ามาอก็ทํางานอิสระได้วันนี้ขายได้สองร้อยเอาพ อ, อพอจ่ายค่าข้าวได้ก็หยุดได้นะปิดร้านได้ละมันมันต้องเปิดมันยี่บสี่ชั่วโมงเห็นไหมเซเว่นนี่เปิดยี่บสี่ชั่วโมงม น, นั่นแหละ ถ้าอยากได้เงินมากมันก็จะมาทางธรรมะยากถ้าอยากจะมาทางธรรมนี้มันต้องลดความอยากได้เงินทองหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็พอตายไปก็เอาไปไม่ได้สมบัติต่างๆที่เราหามาเงินทองความสุขที่เราได้จากเงินทองมันก็เอาไปไม่ได้เวลาตายไปแต่ธรรมะที่เราหาได้นี้มันไปกับใจเรา คำถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณขวัญเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการลดความอ้วนยากมากขอธรรมะในการลดความอ้วนด้วยเถิดเจ้าค่ะอ๋อต้องใช้ปฏิกูลอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอาหารแป่ว่าอาหารปฏิกูลก็คือโสกปกสัญญาก็คือความจําจำดูจําอาหารที่มันสกปก อย่าประจํออาหารที่มันน่ากินอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานให้นึกถึงอาหารที่มันสกปกรกเช่นอาหารที่เรากําลังเคี้ยวอยู่ในปากถ้าเราคลายออกมาแล้วเรายังจะตักเข้าไปกินได้ปะลองเคี้ยวอาหารที่ อ, อร่อยที่กําลังจะกืนนี่ว่าขอดูหน้าตามันก่อนก่อนจะเกินคลายมาใส่จานใหม่แล้วก็ลองตักเข้าไปในกินใหม่ดูที่จะกินได้หมเมื่อมันผสมกับน้าลายเมื่อมันถูก ปถูกเคี้ยวจนไม่น่าดูแล้วทีนี้ลองดูหน้าตามันก่อนก่อนที่จะเกินดังนั้นเวลาเราหิวนึกถึงอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารในจานอย่าไปนึกถึงอาหารที่เขาโฆษณาตามอตามป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ย ต, ตอนเช้าบินนาบัดยังไม่ทันได้ฉันเลยหิวแล้วเดินไปเห็นป้ายขนมนมเนยต่างๆที่เขาติดอยู่ตามป้ายเนะี่ยะ อย่าไปนึกต้องใช้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่ถ่ายออกมาอยู่ในซ่วมเนี่ยอาหารทั้งนั้นแ่ลเนี่คือวิธีลดความอ้วนไม่ต้องไปเสียเงินไปวิ่งไปออกกำลังกายไปฟิตเนสเนี่เพราะว่าฟิตเนสถ้าไปออกกำลังกายเดี๋ยวมันก็หิวอีกอ่ะใช่พอวิ่งเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็หิวมันก็อยากจะกินอีกมันก็ลดไม่ได้หรอก วิธีเจรลดได้มันต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือเราไปนึกถึงอาหารที่น่ากินมันก็เลยอยากกินถ้าเราไปนึกถึงอาหารที่ไม่น่ากินมันก็จะไม่อยากกิ น, นก็มีเท่า น, นั้นเน่ยง่ายๆพยายามหัดนึกถึงอาหารที่ไม่น่ากินอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อาเจียนออกมาอาหารที่ถ่ายออกมาแล้วรับรองได้ว่าทุกครั้งอยากจะกินนี่กินไม่ลงต่อไปจะ้อมจนกระทั่ง้อมอาจจะต้องหยุด พิจารณาก็ได้บางคนพิจารนามากเกินไปจนไม่กินเลยกินไม่ลงอันนี้ก็เกินไปถ้ามันเกินไปก็ต้องหยุดพิจารณากินยาเกินขนาดเขาเรียกคาถามจากบนเขาเจ้าค่ะในช่วงคุณพ่อใกล้เสียชีวิตใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดรับรู้ได้แค่ตอบโต้ไม่ได้เราได้ให้ท่านฟังทำ24ชั่วโมง ฟังชินนาบัญชรและบทสวดอื่นๆจนกระทั่งท่านเสียชีวิตอยากทราบว่าท่านจะไปสู่ภพภูมิที่ดีไหมคะอดีตเป็นทหารผ่านสงครามมาหลายสมรภูมิฆ่าชีวิตทหารไปหลายคนเจ้าค่ะเออก็แล้วแต่ว่าท่านจะรับธรรมะได้มากน้อยเพียงไรรับได้มาก ก, ก็จะช่วยให้ท่านไปสู่สุคติได้ แต่ถ้ารับไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าไปช่วยพ่อเจ็ดวันก่อนจะตายให้ไปถึงนี่ผ่านได้เพราะตอนนั้นพ่อว่างแล้วเมื่อก่อนสอนธรรมะไม่ได้มีแต่ภา ร, รกิจต่างๆไม่มีเวลาว่างพอไม่สบายนอนอยู่บนเตียงเลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องฟังทำจากพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็สอนให้ปล่อยวางปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาปล่อยจิต พอปล่อยได้ก็ไปนิพพานได้เลยเจ็ดวันเท่านั้นเองก่อเจ็ดวันก่อนตายก็ไปถึงนิพพานงั้นอยู่ที่ว่าช่วงที่ไม่สบายนั้นสามารถรับรู้ได้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าแล้วปฏิบัติตามได้หรือเปล่าถ้ารับรู้ได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้ก็ได้ผลคําถามจากบนเขาค่ะคํำถามที่หนึ่งค่ะการนั่งสมาธิ เมื่อนั่งแล้วมีอาการคล้ายกับไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เทศคืออาการเริ่มสงบหรือไม่คะก็ถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ก็เป็นอาการสงบถ้าไม่รู้ตัวก็แสดงว่าหลับคําถามที่สองค่ะและเมื่อนั่งสมาธิบางครั้งร่างกายมีอาการโอนเอ็งเป็นเพราะอะไรคะเพราะสติไม่ดีเพนั่งแล้วสติไม่มีมันก็เลยนั่งกายมันก็เลยโอนไปเองมา คำถามจากทางอินบ็อกค่ะยายฝากถามว่าถ้าปรารถนาจะไปนิพพานการเข้าวัดถือศีลภาวนาจะสามารถไปนิพพานได้ไหมคะถ้เข้าวัดได้มันจะไปเร็วกว่าอยู่บ้านเนี่ยถ้าอยู่บ้านปฏิบัติมันก็เหมือนขับรถอยู่ใต้ทางด่วนน่มันก็จะติดเสียกไฟแดงติดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดเออ แต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนหน้ามันก็จะไปได้เร็วกว่าเะฉะนั้นการบวชเนี่ยการบวชการไปอยู่วัดนี่มันจะเหมือนขึ้นทางด่วนเพราะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเงินเดี๋ยวทองเดี๋ยวเรื่องนั้นคนนี้มันก็จะทําให้ปฏิบัติได้ยากกว่าคําถามจากทางอินบ็อกค่ะกล่าวเพียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเทวดาที่มาอนุโมทนาบุญนี้ เสมือนเป็นการต่ออายุของเทวดาให้อยู่ต่อไปได้อีกอย่างนี้เข้าใจถูกต้องหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกการอนุโมทนาก็เขาชื่นชมยินดีต่นนั้นเองไม่ได้เป็นบุญที่จะทําให้เขาต่ออายุเขาได้นะ เ, เดี๋ยวเท้าหมดบุญเขาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเพิ่มบุญใหม่มาทําบุญใหม่คําถามจับทางลายเจ้าคะ่ะวันหนึ่งในขณะที่กําลังถือของไปใส่บาตร เกิดมีความรู้สึกขนลุกและเบาภายในจิตใจรู้สึกว่างไปหมดเลยแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์และความเศร้าและความสุขที่มนุษย์แสวงหากันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วมันเป็นการปรุงแต่งเป็นมายาคำถามเจ้าค่ะควรจะปฏิบัติตนให้พ้นทางธรรมนี้ด้วยวิธีไหนตอนนี้ที่ฉันเป็นแม่ชีค่ะอ่าเป็นแม่ชีแล้วก็บวดต่อไปอย่าเสก รักษาศีหน้บริสุทธิ์แล้วก็พยายามทําใจให้สงบให้มีความสุขในใจให้มีความสุขในตัวเองก็จะปล่อยวางความสุขในโลกนี้ได้คําถามจากทาง facebook ค, ค่ะกล่าวเียนถามพระอาจารย์พระอาหารหันต์ท่านฉันของอร่อยยังรู้สึกอร่อยแต่ไม่มีความอยากฉันใช่ไหมคะก็ะท่านสัมผัสรับรู้เหมือนเดิมอะ อาหารไหนอร่อยอาหารไหนไม่อร่อยมันก็เป็นเรื่องของขันของร่างกายของลิ้นใจเป็นผู้รับรู้เท่านั้นว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยอกิเลสท่านไม่มีอร่อยท่านก็ไม่ยินดีไม่อร่อยท่านก็กินได้อร่อยก็กินได้ไม่อร่อยก็กินได้ไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจไปกับอาหารที่ท่านฉันคำถามจากคุณกิติยาทาง facebook ค่ะ คือโยมพยายามทำประกันให้ตัวเองค่ะโยมยิ่งทำยิ่งกิเลสเยอะโยมพยายามจเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นแต่บางครั้งก็ลืมและตอนนี้โยมยิ่งเกลียดค้านในการนั่งสมาธิเจ้าค่ะโยมเคยนั่งสูงสุดชั่วโมงครึ่งแล้วจะพยายามลุกขึ้นมานั่งตอนเวลาตื่นครึ่งชั่วโมงถึง10นาทีแต่ตอนนี้จิตมีแต่บอกว่าเดี๋ยวค่อยนั่งเดี๋ยวค่อยนั่ง โยมขอวิธีแก้ไขด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เปลี่ยนคิดวันเปลี่ยนคิดวันเดียวจะนั่งกันนั่งเดี๋ยวนี้อกลับกันเดี๋ยวจะนั่งกันแค่เนนั่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเปลี่ยนความคิดใหม่ได้บอกให้นั่งเดี๋ยวนี้มันก็ต้องนั่งเดี๋ยวนี้ะถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวจะนั่งมันก็ไม่ได้นั่งทันทีคําถามจากคุณชัยยศค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์การสมาทานสิบแปด มีวิสุงวิสุงเหมือนสินห้าได้หรือไม่ครับอันนี้มันเป็นเพียงพิธีเท่านั้นจะวิสุงไม่วิสุงอย่าไปสนใจขอให้สนใจว่ารักษามันได้หรือเปล่าก็พอคําว่าวิสุงนี่ก็รู้สึกว่าแปลความหมายกันไปหลายทิศหลายทางเราก็ไม่แน่ใจว่าเ้าหมายความว่ายอย่างไงบางแห่งเขาว่าถ้าวิสุงแล้วนี่ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดหมดอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ก็เมื่อเราไม่ได้ทําข้อเอื่นขาดมันจะไปขาดตามในข้อนี้ได้อย่างไง ใชการเขาก็อาจจะถือว่าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ารักษาให้บริสุทธิ์ต้องรักษาทุกข้อถ้าขาดไปก็ไม่ถือว่าบริสุทธิ์อันนี้ก็ถูกคือบริสุทธิ์แค่80ดสิบถ้าถ้าถ้ารักษาศี่หขาดขาดไปข้อนึงมันก็ได้แค่80อซย่างเงี้เหมือนทองคำเนสมัยนี้มันมีทองผสมใช่ไหมทอง99ก็มีทอง95ก็มีความบริสุทธิ์ต่างกัน แต่การจะบอกว่าการที่เราขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งทำให้ศีลข้ออื่นขาดไปด้วยนี่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไปไม่ได้เพยงแตาจจะบอกว่าไม่เป็นศีลที่บอยสุดแล้วเท่านั้นเองเพราะไม่ร้อยเอร์เซ็นไม่บอยสุด 100% ร้อยเปอร์เซ็นเป็นศีลแปดสิบเปอร์เซ็นถ้ารักษาได้สี่ข้อในห้าข้อก็แปดสิบเปอร์เซ็นตคำถามจากทาง Facebook ค่ะขอการดพ่อแม่ครูอาจารย์การกำหนดดูลมหายใจ แล้วเมื่อจิตเผลอไปคิดก็กำหนดความคิดว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วกลับมาดูลมอีกอพอจิตเผลอคิดก็ดูความคิดว่ามันไม่เที่ยงทำแบบนี้ถูกหรือไม่ขอรับออไม่ต้องไปดูความคิดแล้กลับมาหาลมทันทีเลยอย่าไปเสียเวลากลับมาหาลมว่าสติไม่เที่ยงดีกว่าสติเราเผลอพอขาดสติปับมันก็คิดปับ๊บแทนที่จะบอกความคิดไม่เที่ยงว่าสติไม่เที่ยงดีกว่า จะได้รีบกลับมาหากลับมาหาสติใหม่ให้สติมันเที่ยงให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยพอเรารู้ปั๊บว่าเราคิดปั๊บก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันไม่เที่ยงกลับมาหาลมทันทีคำถามจากคุณนิชนันค่ะทำไมผู้หญิงถึงมองความสวยงามมากกว่าผู้ชายคะกิเลสตัวนี้ทำไมมีมากกว่าผู้ชายเจ้าคะผู้หญิงใช้ความสวยงามเป็นเป็ น, เ, ปนเครื่องเครื่องขายไง ผู้ชายไม่มีไม่ได้ใช้ความสวยงามผู้ชายนี่ใช้ความรวยมากกว่าใช่หไหมคนไม่คนหน้าไม่หล่อแต่รวยนี่กลับได้แฟนสวยๆ <laughs> คนหน้าตาหล่อแต่ไม่มีเงินนี่ไม่ได้แฟนสวยหรอกนั้นจุดขายของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันจุดขายของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยความงามจุดขายของผู้ชายคือความรวย <laughs> คำถามจากคุณทีระเชษเจ้าค่ะ ดูลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุโทโธพุโทโธได้หรือเปล่าครับแล้วแต่เราถ้าเราถนัดอย่างนั้นก็ได้ถ้าพุโทโธแล้วก็ดูลมด้วยแล้วทำให้ใจไม่คิดก็ใช้ได้หมดแล้วเลยอ่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะพุโทโธเลยแล้วพุโทโธช้านี่เราจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราผูกไว้กับลมมันก็ต้องไปกับลมลมเข้าก็พุทลมโทลมออกก็โทอย่างนี้ แต่ถ้าเราอยากใช้มันเร็วพุทโธพุทโธพุทธโทรเพราะบางทีเวลาจิตมันเริ่มฟุ้งเวลามันเริ่มเจ็บนี่มันจะฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเราจะไปพุทเข้าโทรออกนี่มันไม่ทันการละเราต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถใช่ไหมรถขับรถเวลาจะขึ้นเขามานี่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไหมถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์ก็ไม่มีแรงขึ้นเขาเวลาจิตเราฟุ้งเราจะมาพุทเข้าโทออกนี่มันไม่ได้ละเราต้องพุทธโทพุทโทพุทธโทพุทธโท เพื่อดึงมันไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บนถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหน้าเดี๋ยวความเจ็บมันจะความเจ็บมันจะเบาลงหรือว่าความเครียดที่เกิดจากความเจ็บมันจะหายไปแล้วมันจะไม่ทรมานมันก็จะอยู่กับความเจ็บได้พระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูมีคําถามค่ะเวลาเราภาวนาถ้าสมมติว่าเรามีมีความคิดนะคะพระอาจารย์แต่เราใช้ไม่ดูความคิดนะคะเอาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแบบนี้ จนกว่าความคิดเราจะหายไปอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับถ้าพูดโธ่อย่างเดียวตอนต้นมันจะแข่งกันจิตมันยังยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่เหมือนไฟสลับไฟสลับบวกลบเนี่ยมันจะสไปสลับมาพูดโธกรรมพิจิตรคำพูดโทแต่มันเร็วมากจนกระทั่งมันเหมือนว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันแข่งกันก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้พยายามเหมือนกับขับรถเนี่ยมันจะวิ่งไปสองเลนเดียวซ้ายขวาเดียวซ้ายขวาแล้วเขายามดึงให้มันอยู่เลนที่เราต้องการ เขาพยายามดึงให้อยู่พุทโธพุทโธมันจะแวบไปทางเลนอื่นก็ดึงมันกลับมาอย่าไปสนใจให้อยู่พยายามดึงให้มันอยู่ในเลนที่เราต้องการคือก็ไม่ต้องไปกังวลกับความคิดใช่ไหมคะมันจะเกิดก็เรื่องของเขาเราก็พุทโธไปใช่ไหมค่ะอยู่ที่พุทโธถ้าพุทโธเรากําลังมากต่อไปความคิดมันก็จะหมดกําลังไปสาธุค่ะมีคําถามจากทาง facebook ค่ะสติกับตัวรู้ต่างกันอย่างไรเจ้าคะ อ๋อสติก็คือเป็นตัวที่ดึงให้ตัวรู้มารับรู้เรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็จะไหลไปกับเต้เรื่องราวต่างๆไม่ได้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีสติมันก็จะบังคับให้ตัวรู้นี้มารู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุทโธนี่ต้องใช้สติดึงตัวรู้มาถ้าไม่มีสติตัวรู้มันก็จะไปรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแต่อะไรมาสให มาให้สัมผัสรับรู้พอเสียงเข้ามาก็ไปรู้เรื่องเสียงพอกลิ่นเข้ามาก็ไปรู้เรื่องกลิ่นมันก็จะลอยไปลอยมาตามภาวะธรรมที่เข้ามาให้สัมผัสแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้จิตมันลอยไปกับเรื่องราวหล่านี้เราก็ต้องใช้สติผูกมันไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมันจะได้นิ่งเราต้องการทําให้จิตนิ่งไม่ต้องการให้มันลอยไปลอยมาลอยแล้วมันไม่สงบมันไม่มันจะวุ่นวาย มันไม่สุขงนั้นสติกับตัวรู้เป็นคนตัวละตัวสติเป็นตัวควบคุมตัวรู้อีกทีหนึ่งตัวรู้ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหอนึ่งเรียกว่าสติแล้วก็ให้หยุดคิดหดแล้วแหละเดี๋ยวเหลือแค่หนาทีเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนะึงใครอยากจะถามต่อไม่กี้อยากจะถามอะไรไหมอะไรคำตอบก็เลย ามาจากที่ไหนออมาครั้งแรกเลยหรือมาหลายครั้งนะออได้มาแล้วได้ประโยชน์นะคุ้มค่าเดินทางนะแต่ก็จริงเดี๋ยวนี้ฟังที่บ้านก็ได้นะมีถ่ายทอดสดด้วยแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันนะที่บ้านมันมีเสียงกระทุกคุบโคม อ, อยู่ที่นี่มั น, นธรรมชาติกว่า อาจารถามได้อาจารย์ขอกลาบขอขอาจารย์ครับคือผมอยากขออุบายในการแก้ความกลัวครับผมเคยภาวนาความพีมม่มากมากเนี่ยความกลัวก็จะหมดไปแต่ผมมนออกกำลังบับเราเดินไปที่เดียว <c oughs> ผมกลัวเข้ามาเล่นงานเราอีกครั้งเราต้องฝึกสติให้ให้มาก <c oughs> เวลาเกิดความกลัวให้เราอยู่กับพุโทโธให้ได้ เวลาเกิดความกลัวแล้วถ้าเราควบคุมให้มันอยู่กับความอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่าส่งใจให้เราไปหาความกลัวความกลัวมันก็จะหายไปงั้นตอนต้นหัดฝึกพุพโทโธอยู่ที่บ้านอยู่ที่มันปลอดภัยก่อนพอเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถใช้พุโทโธไดเ้เวลาก็ไปหาที่น่ากลัวดูไปนั่งที่ป่าช้าไปนั่งที่แมนดูไปไปนั่งที่ไหนที่เปรียวที่น่ากลัวแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธ หยุดมันต้องฝึกสติก่อนก่อนที่จะไปทดสอบดูว่าทำได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปกลัวผีขึ้นมาวิ่งหนีวิ่งโกยเลยคาถามจากทางยูทู e ค่ ะ, ะการดูลมหายใจควรดูตามอาการไหลของลมหรือดูจุดกระทบลมเข้าออกเฉยๆค่ะดูที่จุดกระทบจุดสัมผัสที่ปลายจมูกให้จุดให้ให้จิตนิง่งให้อยู่จุดเดียว ถ้าดูลมมันตามเข้าตามออกจิตมันต้องทำงานมันชักเข้าเช่ากออกชักออกตามลมเราต้องการให้จิตนิ่งต้องให้มันเฝ้าดูอยู่จุดเดียวอยู่ที่มันที่เราสัมผัสรับรู้ได้ก็มีสองจุดใหญ่ๆที่ใช้กันคือที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องหน้าอกถ้าดูที่หน้าอกก็จะสังเกตว่าเวลาลมเข้ามันจะพองเวลาลมออกมันจะยุบเนะี่ที่มาของคาว่ายุบหนอพองหนอก็คือการดูหน้าอก แต่ถ้าเราดูที่ปลายจมูกตรงที่ปลายจมูกลมมันจะเข้าจะออกมันจะรู้สึกแถวนั้นก็เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาแต่ให้รู้ว่ากำลังเข้าหรือกำลังออกจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันสั้นก็รู้ว่าสั้นมันยาวก็รู้ว่ายาวมันหยาบก็รู้ว่าหยาบมันละเอียดก็รู้ว่าละเอียด มันหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปอย่าปรุงแต่งตกใจขึ้นมาว่าไม่มีลมแล้วเราจะตายหรือเปล่าถ้าเรานั่งเรารู้อยู่นี้ไม่ตายแล้วเพียงแต่ลมมันละเอียดจนเราไม่สามารถรับรู้ได้พอเวลาเรานั่งเฉยๆนี่เราจะเป็นเหมือนพวกสัตว์จำศีลสัตว์จำศีลนี่มันจะไม่หายใจเหมือนตอนที่มันออกมาตอนที่มันอยู่เฉยๆนี่มันนานๆมันจะหายใจสักครั้งหนึ่ง เพราะเราจับลมไม่ได้นี่อย่าไปคิดว่าเราตายแสดงว่าร่างกายไม่ต้องใช้ลมมากเหมือนกับรถเนี่ยเวลาเราวิ่งนี้มันจะใช้น้ํามันมากพอเราไม่ได้วิ่งจอดรอไฟแดงนี่มันเครื่องมันจะเบามันจะใช้น้ํามันน้อยอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวให้รู้เฉยๆไปรู้อยู่ว่าตอนนี้ไม่มีลมหายใจถ้ารู้โดยไม่ตกใจจิตมันเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่สมาธิต่อไป